เรื่องนางปฏิปูชิกานางอันเป็นผู้บูชาสามียิ่งนักพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีทรงปรารภหญิงชื่อปฏิปูชิกาในดาวดึงสเทวะโลกได้ยินว่าเทพบุตรนามว่ามาลาภารีในดาวดิงสเทวะโล ก, ม, ม, าลาาโลกมีนางอับซรนพันหนึ่งเป็นบริวารไปสู่สวน เทพธิดาทั้งห้าอยขึ้นสู่ต้นไม้อีกห้า้อทำดอกไม้ประดับเท พ, พบุตรเทพธิดาองค์หนึ่งจุติเคลื่อนลงจากกิ่งไม้สรีระระดับไปดุจเปลวประทีปถือปฏิสนธิในตระกูลหนึ่งในกรุงสาวัตถีนางเกิดแล้วเป็นหญิงระลึกชาติได้ว่าเคยเป็นพัญญาของมาลาภารีเท พ, พบุตร นางกระทําการบูชาแล้วปรารถนาไปเกิดในสำนักของสามีมาลาภารีบนดาวดึงเท่านั้นครั้นอายุได้16ปีแต่งงานไปสู่ตระกูลสามีทำบุญถวายทานตั้งความปรารถนาบังเกิดในสำนักของมาลาภารีเทพบุตรสามีทาเช่นนี้เสมอเสมอชนทั้งหลายจึงว่านางปรารถนาหัวเท่านั้นจึงขนานนามว่าปฏิปุชิกา นางตั้งคันคลอดบุตรมีบุตรรวมได้สี่คนวันหนึ่งนางถวายทานบูชาฟังธรรมตอนค่ำนางตายด้วยโรคบางอย่างตายไปเกิดในสำนักของสามีเดิมของตนฝ่ายนางเทพธิดาทั้งหลายกำลังประดับเทพบุตรอยู่นั่นเองเทพระบุตรเห็นนางจึงถามว่าหายหน้าไปไหนตั้งแต่เช้าไปไหนมาจึงตอบว่าได้จุติ คือเคลื่อนจากสวรรค์นี้ไปเกิดเป็นมนุษย์ในกรุงสาวัตถีออกจากท้องมารดาโดยการอันล่วงไปสิบเดือนอายุ16ปีแต่งงานไปสู่เรือนสามีคลอดบุตรสี่คนทำบุญและปรารถนาจะกลับมาเกิดที่นี่ก็กลับมาเกิดที่นี่ตามเดิมถามว่ามีอายุประมาณเท่าไรตอบว่ามีประมาณหนึ่งปีเทพบุตรถามอีกว่าพวกมนุษย์ถืออ า, อายุประมาณเท่านี้เกิดแล้วเป็นผู้ประมาทหรือหลับ อย่างการให้ล่วงไปหรือหรือทำบุญให้ทานเป็นต้นบ้างหรือเปล่าเทพพิดาตอบว่าพวกมนุษย์ประมาทเป็นนิดประหนึ่งว่าตนมีอายุตั้งอสงไข่เกิดแล้วมีความเป็นอยู่ประหนึ่งว่าจะไม่แก่ไม่ตายมาลาภารีเทพระบุตรได้ฟังแล้วบังเกิดความสลดสังเวชใจพวกมนุษย์ประมาทนอนหลับอยู่เมื่อไรหนอจึงจกพ้นจากทุกข์ได้ ฝ่ายข้างในโลกมนุษย์ที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายครั้นทราบข่าวการตายของนางปฏิปุชิกาต่างสลดสัเวชใจว่าตอนเช้านางยังนำพัฒหารเลี้ยงเหล่าภิกษุอยู่แต่ตอนเย็นข้ามนางก็ตายเสียแล้วพระบรมศาสดาทรงตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายชื่อว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยเหตุนั้นแหลความตายผู้กระทาซึ่งที่สุด ซึ่งสัตว์เหล่านี้ยังไม่อิ่มด้วยวัตถุ ก, กรรมและกิเลสกรรมนั่นแหลให้เป็นในอำนาจตนย่อมพาเอาสัตว์ที่กล้ามครวนร่ำไรไปครั้นจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลเป็นอันมากมีโซดาปฏิพลเป็นตน้นหมายเหตุผู้อ่านสำหรับเรื่องนี้อยากฝากไว้เป็นข้อคิด สำหรับท่านที่กำลังเศร้าโศกกับญาติที่เพิ่งเสียไปนะครับขอให้ระลึกว่าบางทีการตายของเขาอาจจะเพื่อความสุขอีกมหาศาลจนเราเกินจะคาดและเขาก็มีความสุขไม่ได้คิดถึงเราหลายคนเกิดใหม่ก็จำกันไม่ได้ชีวิตนี้เป็นเพียงละครฉากหนึ่งเท่านั้นนะครับถ้าหมั่นพิจารณาถึงเรื่องพบชาติให้ดีความเศร้าโศกจากการจากไปของใครบางคนที่ใกล้ตัว อาจจะไม่ต้องเศร้ามากเหมือนขณะที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้พวกเราทุกคนระลึกถึงความตายไว้เสมอเสมอเพื่อความไม่ประมาทและเพื่อความไม่ทุกข์